พระข้าราชการมาบวชก็มีประโยชน์เกี่ยวกับพุทธศาสนาเหมือนกันเพราะเหตุใดเพราะท่านเหล่านี้เป็นหัวจักมนุษย์คนชั้นสูงเป็นหัวจักตามสูงเป็นหัวจักของราชการเหมือนกันเพื่อเป็นอย่างๆของเขาอย่างๆของพระข้าราชการ พวกที่มีเงินเดือนเงินดาวถ้ า, าว่าข้าราชการเรื่องสายในพระพุทธศาสนาเนี่บ้านเมืองของเรากจ็จะเจริญขึ้นไปอีกถ้าหากว่าไม่มีข้าราชการดินีในพระพุทธศาสนามาบวชจะเลยมันก็ไปอีกแบบหนึง่งเหตุะนั้นสมเด็จพระบรมราชาท่านจึง ทรงผนวดทรงอุปสมบทเพื่อเป็นอย่างอย่างทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระองค์ท่านด้วยสืบมาเป็นธรรมเนียมอันที่ควรเคารพเป็นธรรมเนียมอันที่ควรบูชา ทุกๆพระองค์เวลาองค์ท่านมีโอกาสองค์ท่านก็ระคะราวาดวิสัยชั่วครั้งชัวคราวมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทท่านก็ไปอุปสมบทฝ่ายมหานิกายก่อนเมื่อครบอุปสมบทฝ่ายมหานิกายแล้ว ท่านก็ทรงสเสด็จมาทรงยัติกรรมในวันนั้นทอดสะพานอันลึกซึ่งเหมือนกันเมื่อให้กระทบกระเทือนทั้งสองในกายทรงพระฉลาดมากทรงพระปัญญามากถ้าหากว่าจะบวชในฝ่ายรมยุทธโดยตรงๆก็จะกระเทือน ทังนั้นองค์ท่านก็ทอดสะพานทุกอย่างเพราะธรรมยุทธก็มาจากมหานนกายมายติเขาโจมตีหลวงพุจจทโใยจังหวัดพังงาบอกว่าธรรมยุทธ์นี่มันทำสังฆเภศทำไมแตกจากกัน แล้วูเทศก็ตอบว่าเป็นธรรมยุศกระแตกมามาจากมหานิกายถ้าหากว่ามหานิกายเป็นเป็นผู้ดีทำไมถึงให้พวกตนแตกออกหนีทำไมถึงแม่รักษาไว้เขาก็หมดเชียงเลยยัดคืนนุกภูเทศไม่ใช่ของง่ายๆปัญญ า, าเก่งเหลือเกิน ี่นี่เขาก็ดูถูกรูมหมิ่นสมเด็จพระบรมราชาพระจรองเก้าเขาก็จับใส่คุกซะปีนั่นเรื่องสังฆเภศในพระวิ น, นัยมหานิกายก็ทําสังฆเพศธรรมยุทธไม่ได้ธรรมยุทธก็ทําสังฆเพศมหานิกายไม่ได้ นางสิทธัมมานาก็ทําสังฆเพศไม่ได้นางสัมณรีก็ทําสังฆเพศไม่ได้พิกสุนีก็ทําสังฆเพศพิกคุโนไม่ได้อุบาสกอุบาสิกาก็ทําสังฆเพศไม่ได้ผู้อยู่ต่างอาวาสในทีนน่อื่นๆแต่เป็นนึ่กายเดียวกันไม่ได้อยู่ในอาวาสเดียวกัน ไม่ได้ลงอุโบโสถร่วมกันเพราะอยู่คนละ ห, ละห้นละแห่งก็ทำสังฆเภศไม่ได้แต่เป็นสังฆร า, าชีความล่าลานทีกสุดที่อยู่ในวัดเล่าเราเช้นนี้ทำสังฆเภศได้ที่เคยร่ ว, รวมอุโบโสถสงฆกรรมกันอยู่ชช้นวัดน้อยก็ดี ว, วัดบ้านเราก็ดีสามวัดนี่ทำสังฆเภศกันได้ถคาจะทำ นอกจากวัดอื่นแล้วทำไม่ได้เพราะไม่ได้ร่วมอุโบสถกันเพราะอยู่คนละหลน่วยแห่งม่ได้เป็นสามัคคีสมานสังวาดกันอยู่แต่เป็นความเล่าลานเรียกว่าสังฆารี เราออกภาษาเนี้ยละลาชิกขาก็าดีเราเป็นเพียงละละเพศเท่านั้นส่วนจิตใจของเราไม่ละไปไหนถึงรพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เป็นเพียงละเพศของคึกซุเท่านั้นส่วนถึงใจชะนาคมนั้นเราถึงอยู่ทุกเมื่อเราจะทําตนให้เป็นบันทิตโตฆราวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือน เราจะจงรับภักดีต่อทิ้นห้าจะจงรับภักดีต่อกันธรรมมาหาเนี้ยงชีวิตจะให้เป็นตันทิศโตลมาวาสังเป็นบัรทิตผู้ครองเรือนในฝ่ายคราวาสมันเป็นยอย่างงเขาทำก็อ่านเก่าการพนันทุกประเภทเราลาซื้อขาออกไปเราก็ไม่ควรน้มิด ยิ่งสืเพลนี้เราไม่ควรไปหือห่อเหืมเสียเกียรติเสียสยศของเราเพราะเราไม่ในหนักทางการมารมณ์เรานึกละอายนึกนึกละอายเพศที่เราเป็นอยู่นึกหวนึคืนหลังนึกละอายเพศที่เราเดินโยกรมภาวนาที่เราได้บวชปฏิบัติ ถึงแม้กิเลสจะไม่มากสักเพียงไรก็าตามก็เป็นเหตุให้เราหวนและลึกของเราที่เป็นมาแย่ทำให้ราคะนึกความกำลัดของเราผ่อนลงเหมือนกันข้าราชการที่มาบวช เมื่อลาวชเข้าออกไปแล้วการเห็นแก่ตัวก็มีน้อยลงเพราะเห็นแก่ส่วนรวมมากเมื่อเห็นแก่ส่วนรวมมากที่นี่การที่ขบรดเลี้ยวก็ไม่มีก็น้อยลงที่สุดประชาชนก็ดี ข้าราชการก็ดีผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาข้าราชการพองนั่นก็ดีประชาชนของนั่นก็ดีพวกนั้นแ่ละจะชอบปีนเกลียวในทางวาพุทธศาสนาหรือในทางอะไรก็ดีขอให้เห็นง่ายๆเหมือนกัน นานาพาโววินาพาโวจะได้พัดพากันไปตามสติกำลังถ้าหากว่าเราเป็นผู้อาพับมันก็ไม่อาพับบ้างถ้าถ้าคิดไปให้ละเอียดแล้วรูปที่มาอยู่ด้วยผู้เป็นข้าราชการก็มีผู้เป็นชาวนาวก็มี ผู้เป็นช่างไม้ก็มีผู้เป็นช่างกลก็มีผู้เป็นช่างจักก็มีทำให้เบาภาะเหมือนกันถ้าจะว่าเราอาภัพก็ไม่อาภัพมากเพราะแต่และท่านละองค์มีงานช่วยเหลืออยู่ ไม่ทางตรงก็ทาง อ, อ้อมทุกๆ ท, ท่านผมก็ไม่ถือเป็นของนักไก่เพราะพอเป็นพอไปอยู่ตามฐานอันดรสครับที่ออกภาษาแนว กระถินก็นแล้วไปเมื่อท่านผู้ใดจะไปเที่ยวในทิศทั้งสี่สำหรับผู้ยังที่ยังเ่ลาศึกษ า, าก็ขอให้ผ่านพ้นเดือน1ิบสองเพนพฤศจิกายนตอนเพนข้างแหลมเช่ยก่อนเพราะเหตุใดถ้าเอาเราไปแห่งอื่นถ้าไปถามก็ไปเที่ยวตามสำนักถ้าเขามาทอดกระถิน ก็จะบอกว่ามาจากภูจก้อเมื่อเป็นเั่งนี้ให้มันผ่านพ้นไปซะรักษาเพาว่าปฏิบัติของหลวงปู่มั่นไว้หลวงปู่มั่นน่ะถ้าไม่ผ่านพ้นเกดกระถินไปท่านยังไม่ให้ยอมให้ไปเที่ยวถ้าน่าไม่เหมาะสมถ้าไป ถ้าจะไปตามบ้านตามเมืองหรือตามนิคมก็ดีหรือตามสำนักก็ดีไม่เหมาะสมท่าพูดอย่างนั้นเพราะเศษกระถิ่นยังไม่หมดดูไม่งามเทม่าไรนะถ้าหากว่าไปเที่ยวในป่าในดงจะทําทนั่งร้านก็ดีเพราะดินก็ยังไม่แห้งเดี๋ยวกว็ไข่จับไข่อาภาษ์เท่ า, าทไรนะถ้ายังไม่พ่นแล้วดูฝน แล้วไม่ได้ตื่นวันคืนแล้วไม่ได้ตื่นปีตื่นเดือนออกพรรษาเข้าพรรษาเราก็ไม่พอยนานออาพรรษาแท้เราก็ไม่พอยนานเข้าพรรษาแท้เราก็ไม่พลอยเราถือว่าเราเข้าพรรษาอยู่ทุกวันเข้าพรรษาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราถือว่าเราออกพรรษาอยู่ทุกวันคือออกจากมิจฉาทิฏฐิ ที่เห็นเหตุากทํานองคองทามีหมื่นคนมีล้านคนมีเท่าไรล้านล้านก็ตาม ส่วนดินน้ำไฟลมก็เกิดมาหนุนแผ่นดินมาบวกแผ่นดินมามาบวกธาตุธาตุน้ ำ, นำบวกธาตุน้ำธาตุไฟบวกธาตุไฟธาตุลมบวกธาตุลมส่วนผู้ทำดีก็มาบวกดีผู้ทำชั่วก็มาบวกชั่ว คนเรามันประกาศอยู่ทุกคนทำดีก็ประกาศความดีทั้งชั่วก็ประกาศความชั่วจะพูดออกรู้ไม่พูดออกก็ตามมันประกาศอยู่ในตัวแล้วนัตถีโลกกแล้วหัวนามะมันไม่มีที่รับเลี้ยวไปทางไหนกับมิตรก่อนกรรมฐานเลี้ยวบนขั้วกศกับมิตรก่อนกรรมฐานจ้าเลี้ยวบนขั้เก็บกับมิตรก่อนกรรมฐานจ้า มองดูความตายกะ็ะพอนกรรมฐานนะเออมองดูดินกับมกรรมฐานจัปเทวีดินมองดูน้ากับมกรรมฐานนะมองดูไฟกับมกรรมฐานนะมองดูลงกับแมกรรมฐานนะกรรมฐานในส่วนลูกขันกรรมฐานในส่วนลูกประทั อารมสวยอารมณ์ซุกทุกอุเบกขากรรมกมมฏฐานซาพขามีฐานะยุตินั่นตั้งอยู่ในชัวข้าววกิเกิดปนแปรปวนนแต่สลายเป็นรอบรอบยงสัตนไตโลกสถานมแต่กรรมฐานข้างนั้นเพราะนไตโลกสถานยึดแต่อานาจอนิจจังเมื่ อ, อยึดแต่อานาจอนิจจังหรือยึดแต่อานาจกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน หรือปัญญากรรมาฐานตั้งฐานด้วยในปัญญาไม่อดไม่อยากในสิ่งที่จะพิจารณาหลวงสิวาภาวานาบเปียนาตาหูจมกลิ้นกายก็เป็นกรรมาฐานอะไรยางอะไรยางเดียวหลี่ยผมคนและพ่อนังเหนือ ขนาด8เอินทซีท12 อ, อายุตระหนักภายนอกภายในกรรมฐ า, านทั้งนั้นฐานโมนียึดแต่อํานาจอานิจังยักแตกจักสลายเมื่ อ, อยึดแต่อํานาจอานิจังเขออยายึดแต่อํานาจทุกยึดในตัวผลของอานิจังคือทุกผลของอานิจังก็ดีผลของทุกก็ดีก็ ค, คืออนัตตาทำในไฟสังขาร บรรยัสแหกไปไซกับไปเมื่อใดเป็นจริงด้วยจังสั่งมีกังเม้นกังคืนทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมอยู่ในปัจจุบันหมดแล้วไฟที่เป็นลูกคันน้าคันก็ดีายที่เป็นมะพนิพ่านก็ดีว่ามันจริ่งทั้งปวงมีอยู่ในอดีตและอนาคตทั้งของดีและของซวยมีอยู่ในปัจจุบันหมด เราสิประพืชน้ำทั้งดีทีทํางัวานาดเราสิเลือกเฟ้นเอาทั้งดีี ท, ท, ทั้ัวว่าปลาพืชขนาดกลัมาทานทั้งไรกลับมี y o u t u e ขนาจิบเหลือนึกนั่นนึกนี่ไปหาแน่ว่ามันเนี่ยอันนีจ้จัง่อจิบก็ดี ทีนี้ไปมัดมือก็ถึงแต่าอันนี้จำมัดมือละจิตอเจตสิกธรรมคืออารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลเป็นส่วนกลางมันดีมัชั่วเ ร, เรียกเอาพยายามคเรียกว่าสังขารเริ่มหายใจเขา้าหายใจออก ดึงดูดกรรมฐานแปดมืนสีพระธรรมาขันมาอยู่ในวงแขนได้เพราะอำนาจแห้งกรรมฐานอันนี้อำหาแห้งที่สุดกรรมฐานที่อำนาจแห้งกโมโร่มหายใจเขาออกอนนานาปานสติแก้เก็บกจก็ไม่ยืดทุกลมหายใจเขาออก อันนี้จำทุกครกั้ง snacks, i, อนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกพวกป่วยคนนอาก็มีทุกลมหายใจเขาออกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกรักผลนิพพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกผมขนเล็ฟันทั้งเนือเอ็นกระดูกเนี่ยในก็อยุหลุมม้ามหัใจรรธาตุสแปดอ็นสี่ยี่สิบสองก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออกอันนี้จงทุกครั้งอนัตตาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเขาออก เมื่อจับลมหายใจเข้าออกชัดแล้วก็ไม่จำเป็นจะส่งสายปัญหาทางอื่นเข็มทิตย์ทำไมเข็มทิตยจึงขี่ไปในทางทิศเหนือก็เพราะเหตุว่าเมล็กอยืนั้นทำไมกรรมาฐานทางปวงจึงเป็นเมืองขึ้นของลมหายใจเข้าออก ลมหายใจเขาออกเป็นยอดของกรรมฐานทั้งหลายเป็นอาจารย์ของกรรมฐานทั้งหลายน้าห้อยน้องคองบึงบางไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลฉัในใดกรรมฐานทางปวงเขาไหลเข้าสู่อาณาปนานสติทางนั้น คนเราถ้าเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่กิเลสมันจะมาจากไหนที่กิเลสมันมาเพราะเวลานั้นมันลืมลมหายใจเขาออกมันเองถ้ามันมีสติและปัญญาอยู่กับลมหายใจเขาออกเมื่อสติมันสมดุลปัญญามันก็สมดุลเมื่อไม่มีสติปัญญามันก็ไม่มีขณะใดมีสติขณะนั้นก็มีปัญญาอืม สติประธานสี่ก็มีบริบูรณ์ในลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ในกายพิ่เจนากาย พ, อพ้อผมกำลมหายใจเข้าออกที่เจนาเวทนาทุกทุกอุเบกขา พ, อพ่อผมกำลมหายใจเข้าออกพิจเจนาจิตที่สมองหรือของแพระพ่อผมกำลมหายใจเข้าออกที่เจนาธรามารอ ม, รมายาย อ, รอันไม่เที่ยง คืออันนี้จะทำเพราะอันนี้จะตาทำเพราะเขาลมหายใจเข้า อ, อกนิพพทาความเบื่อหน่ายที น, นี่ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออความรุดพุ่นก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำอันดับสนิทก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ตกลงก็เป็นเอกานิบาตมีข้อเดียวพระพุทธธรรมประสงค์อยู่แห่งเดียวพระพุทธศาสนาอยู่แห่งเดียวอยู่เป้าเดียวอยู่อันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสายสังคานทางพวงก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจับลมหายใจเข้าออกชัดทําไมถึงจะไม่อ่านโลกทัด มันก็ไม่สงสัยโลกอีกเหมือนกันมันก็ไม่สงสัยข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันมันก็ไม่สงสัยมรรคผลเหมือนกันการที่เอื้อเพื่ออะไรในลมหายใจเข้าออกก็คือมรรคนั่นเองก็คือผลของการปฏิบัตินั่นเองนั่นฉันทะพอใจรักใคร่ในลมหายใจเข้าออกวิทยะเพี้ยนมันประกอบในลมหายใจเข้าออก กิตตะเอาใจฟอกฝ่ายในลมหายใจเข้าออกมี่าังสามันตรีตองพิจารณาเหตุผลในลมหายใจเข้าออกคุณที่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจจักนาบุคคลในถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือ ว, วิสัยพุชงเกตสติความระลึกได้ระลึกในลมหายใจเข้าออกธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมสอดส่องธรรมพร้อมกับขณะลมหายใจเข้าออก พิธีความเพี้ยนเพียนพร่อมกับลมหายใจเข้าออกปีติความอิ่มใจอิมใจพอใจในการพิจารณาลมหายใจเข้าออกปัจจัยความสงบใจใะอารมณ์พ่อมกับลมหายใจเข้าออกสมาธิความตั้งใจมั่นตั้งมั่นในลมหายใจเข้าออกปัญญาความรับรู้ในกองสังขารเอ่อ อุเบคขาความวางเฉยในลมหายใจเข้าออกเพราะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลาอเป็นสังขารคล่องกข้รลมหายใจเข้าออกอีกเหมือนกัน <c oughs> อภินยาเทสิตะธรรมก็เหมือนกันก็มีความหมายอันเดียวกันโพธิปคียธรรมสามจุดเจประการก็มีความหมายอันเดียวกัน สติประธานสี่ก็มีอยู่พร้อมกับรวมให้ใจเข้าออกสมประธานสี่คือความเพียรสี่อย่างก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะกิตตาวิมังสาก็มีอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าคืออะไรศรัทธาความเชื่อในลมหายใจเข้าออกวิริยะความเพียรในลมหายใจเข้าออกสติความระลึก ในลมหายใจเขาออกสมาธิความตั้งมั่นในลมหายใจเขาออกปัญญาความรับรู้ในลมหายใจเขาออกมีความหมายอันเดียวกันนะพระหา้าโพชฌงเกตก็ว่าแล้วะโพชฌงเกตมักคยองแปดสมาธิเห็นชอบในลมหายใจเขาออกสมาสังกโปดําริชอบในลมหายใจเขาออกสมาวาจานึกชอบ ในลมหายใจเข้าออกมอจีสังขารสมากรรมโตการงานชอบการงานชอบในลมหายใจเข้าออกเวลาเราพิจารณาลมหายใจเข้าออกนั่นก็คือการงานจับเอากรรมฐานลมหายใจเข้าออกนั่นเองเป็นวิปัสสนา ลมหายใจเข้าออกไม่มีข้างหน้าข้างหลังความเกิดขึ้นแปรปรวนและแตกสลายก็ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันนั่นปัญญาเห็นตามเป็นจริงพ่อแมก่กำลมหายใจเข้าออกเหมือนกันถ้าตายขาดลมหายใจเข้าออกยังไม่พ้นทุกข์ก็ไปเกิดพมหมโลก พิจารณาอานิจจังทุกครั้งอนัตตาพ่อกับลมให้ใจเข้าออกคมกลืนกันอยู่แต่ยังไม่ทันรุดพ้นตายไปไปเกิดในภพมรมโลก9 1้ารอสิบแปดโกรธกับมีอายุมีอายุไข มีอายุยืนยิ่งกว่าดาราบทอุทกกาดาวบนอีกด้วยพวกนั้นพราะ ก, กาลังชาแนลล้ว น, นม่มีวิปัสสนาทาประยุ<ม>ญญกต์เป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้มีความจํำก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจำก็ไม่ใช่ ก, ใช<ม>ก็เลยตายคาานั้นเดียก ว, ว่กันยกวันเอวาชัญญานาสัญญายตนะสองหนึ่ง พันหนึ่งมืนแปดพันกับนันตายตาษานะ น, นี้มากกว่านัาน้นอีกนับเป็นโกดเลยบางตำตํานานเราล่อยโกดกลับทีนี้ มาพิจารณาอานิจจังให้ชัดทีนี้สัตว์มีอายุยืนจนถึงร้อยโกฏิ ก, กับก็ยังไม่พ้นมากเกิดแก่เก็บตายเพื่อส่งเสริมให้เบื่อหน่ยายอนิจจังทีนี้มีอายุยืนถึงปัต น, นั้นแหละก็ยังมากเกิดแก่เก็บตายอยู่ยังอยู่ใต้อำนาจอานิจจังอยู่มีพระนิพพานแห่งเดียวที่ไม่ได้อยู่ใต้อำนาจอานิจจังทุกครั้งอนัตตา พระดับความเพลินในโลกทั้งปวงพระดับความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงดับความทะเยอทะยานในโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันด้วยดับความเพลินในผู้รู้ทั้งปวงไม่ยึดถือผู้รู้เป็นเราเป็นเขาเป็นสารเป็นบุคคลซึ่งเป็นภพอันละเอียด นั่งอยู่บรรลังเดียวไปได้ในทิศทางแปดบรรลังของจิตก็ดีบรรลังของการนั่งก็ดีเห็นอ น, นิจจังขณะจิตเดียวก็รอบทิศทางแปดแล้วรอบโลกทางปวงแล้วเห็นทุกขณะจิตเดียวก็เหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้เต็มยัดเยียม อยู่ในโลกทั้งปวงเห็นดินขณะเดียวก็เห็นโลกทั้งปวงเหมือนกันเพราะโลกเต็มไปด้วยธาตุดินเห็นน้ําขณะคิดเดียวก็เห็นโลกทั้งปวงเหมือนกันเพราะโลกเต็มไปด้วยธาตุน้ําเห็นธาตุไฟความอบอุ่นขณะคิดเดียวก็เหมือนกันก็เห็นรอบโลกเหมือนกันเพราะโลกเต็มไปด้วยธาตุไฟ เห็นลมขณะกิจเดียวก็เห็นรอบโลกเหมือนกันเพราะลมโลกเต็มไปด้วยธาตุลมเรียวกว่ารอบโลกโลกก็ไม่ถูรูปแก้งโลกก็ถูก อนุตตรปัญญาอันนี้เยี่ยงก็ถูกเราเห็นจริงตามโลกทุกสิ่งทุกสรรแล้วแต่นี้พิจารณาเวลาไหนก็ได้ความอันเก่าไม่ได้ลบเรือนไปทางไหนความสงสัยมันจะมาจากประตูไหนในโลกโลกเล็ก เมื่อความเมื่อความช่องใสไม่มีความยยกคลายก็หนักเข้าก็เนียนเข้าอป่านี้ปัญญาก็เกิดทวีมีกำลังเมื่อปัญญาก็เกิดทวีมีกำลังความหลงของเราที่เคยลงมามันก็นัสบสิไม่ลุกเหมือนกัน เพราะมันชกปล่อยกันในมโนภาพแล้วในปัญญาภาพแล้วในสติภาพแล้วเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นโอปนยโกโด้วยเป็นปัจจตังด้วยโอปนยโกมาแล้วก็เป็นปัจจตังละพรอมันเห็นครับเอหิปกติโกร่องเรียกให้ตนมาดูได้ โลกวิธูรูร้แจ้งโลกรู้แจ้งสังขารก็รูร้แจ้งโลกพราดับจิตดับใจสังขารถูกเห็นมันเกิดขึ้นด้วยเห็นมันแตกปวนด้วยเห็นมันดับไปด้วยเห็นลูกไม้ของมันชัดเจนเหยียบเล็บมันแล้ว ละอาที่จะทายาทยานในวัดตะสงสามต่อไป <c oughs> ใครจะมาโกหกพกลมได้เมื่อเห็นชัดว่าในใจโลกท่านเต็มไปด้วยวางทุกหมดแล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเห็นชัดเป็นประจักสิทธินี่ไม่ได้เห็นด้วยการตื่นข่าวและสัญญาที่จำมาและเคยหูก็หัดปากเห็นในภาวนาด้วยนี่ ชัดด้วยมองดูเวลาไหนก็เห็นชัดด้วยเพราะไม่มีที่ซ่อนเล่นไปทางอื่นบางทีก็เห็นบางทีก็มันเห็นเพราะมันซ่อนหนีเพราะมันซ่อนเล่หนีเพราะมันรับอันนี้มันไม่มีที่ซ่อนเล่มหนีนี่เห็นกันขาวๆอยู่นี่เห็นกันอย่างแยบคายด้วย ที่จะไปบัญญัติโลกว่าเป็นอะไรอีกอย่างนี้จะไปบัญญัติว่าเป็นอะไรอีกผลของโลกก็คือทุกผลของสังขารก็คือทุกขผลของอดีตก็คือทุกที่ล่วงมาผลของอนาคตก็คือทุกที่ยังไม่มาถึงผลของปัจจุบันก็คือทุกที่กําลังให้ใจเข้าออกอยู่นี่กําลังพูดกําลังนึกกําลังคิดอยู่นี่ไม่ใช่พระนิพพานอันนี้มีแต่สังขารเท่านั้นเองพระนิพพานไม่ไว่าพูดด้วย ไม่ได้มาฟังด้วยเมื่อได้มานั่งนั่งนั่งด้วยไม่ได้มาสูดลมหายใจเข้าออกด้วยสึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังขารหมดเนี่ยนั่งแต่เป็นทุนทางเดินเข้าสู่พระเนคคัปปานเฉยๆไม่ใช่พระเนคปานจะมามีธุระ ก, กับเราด้วยจะมาให้คะแนนเราด้วยจะมาบุกเราด้วยจะมาเอ่ยก็จะมาสั้งคมกับเราด้วย เมื่อในมาสังคมเราสังคมเราเพื่อถึงพระนิพพานต่างหาก <c oughs> เพื่อดับเพลินต่างหากพระนิพพานเป็นธาตุอันละเอียด เป็นธรอะรละเอียดที่ทรงอยู่มีอยู่ใช้คำว่าทรงอยู่มีอยู่ถ้าใช้คำว่าตั้งอยู่ก็ไม่ถูกทรงอยู่มีอยู่ทรงอยู่อย่างละเอียดละออกไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปมองเห็นใครเป็นผู้เห็นพระนิพพานใครเป็นผู้รูปพระนิพพานก็คือพระนิพพานนั่นเองรูปพระนิพพาน สังข า, บบา ร, าราาาขามันเป็นหน้าที่จะไปรู้พนิพพานรู้ตัวเองพรนิพพานเห็นตัวเองทำพรนิพพานเห็นทำพระนิพพานสังขารก็มีหน้าที่เห็นสังขารเท่านั้นมันมีหน้าที่จะไปเห็นพรนิพพานไม่มีหน้าที่จะไปรู้พรนิพพาน พระนิพพานท่านนั่นรู JI, พ้พระนิพพานเองพระนิพพานท่านนั้นดับพระนิพพานเองไม่ใช่สังขารจะไปดับพระนิพพานพระนิพพานดับจากสังขารเองสร้งความหลงมานานแล้ว เป็นธาตุแห่งความหลงมานานแล้วต้องเข็ดหลาบมันยิ่งยิ่งเข้าเด็กที่มันดื้อมันดึงก็เพราะมันไม่เค็ดหลาบที่พิดามารดาถูกเครียดถูกตีแต่ว่าเราถูกเครียดถูกตีเราก็ต้องเค็ดหลาบที่สมมุติว่าเราเราคือสังขารพระนิพพานมันมาสมมุติด้วย ท่านิพานไม่ได้มาสมมติว่าอดีตอนาคตปัจจุบันอะไรเลยไม่ได้มาสมมติว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้สมมติว่าไม่ได้มาสมมติว่าสุขทุกข์อุเบกขาเป็นฝ่ายสังขันสมมติกันในโลกเฉยๆไม่มีงานบวกลบคูณหารไม่มีรายรับรายจ่ายสับท่านผู้ใดเลย อย่างนั้นก็ศูนย์สิศูนย์จะไม่ศูนย์ยนยพระนิพพานก็ไม่ยืนยันพวกที่ยืนยันเป็นเป็นพวกสังขารต่างหา วันคืนของพระเนพานหรือหรือวันคืนของสังขารก็วันคืนของสังขารเพราะสังขารสมมุติใช่พระเนปานมาในมาสมมติอะไรกับใครหรอกชีวิตก็เป็นเรื่องของสังขารสมมุติขึ้นใช่กันพนระเนปานมาในมาสมมุติได้มาในมาปฏิเสธด้วยได้มาใน ม, มาเกี่ยวข้องด้วยม่ได้มาอะไรด้วย ไม่ได้มาเป็นห่วงสังขานด้วย้งหมดประเภทที่บัญญัต คืนให้กิจผู้ลูกส่งคืนให้ผู้ลูกอดีตส่งคืนให้อดีตอนาคตส่งคืนให้อนาคตลมหายใจเข้าออกส่งคืนให้ลมจิจที่ว่าลมลก็ส่งคืนให้กิจที่บัญญัติว่าลมลมอานิจจังทุกครั้งอนัตตาก็ส่งคืนให้กิจให้อานิจจังทุกครั้งอนัตตาเราไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นอานิจจังไม่สําคัญว่าอานิจจังเป็นเราไม่สําคัญตัวว่าเราเป็นทุกครั้งไม่สําคัญว่าทุกครั้งเป็นเรา ไม่สําคัญตัวเป็นอนัตตาไม่สําคัญว่าอนัตตาเป็นเราไม่สําคัญตัวเป็นพระนิพพานไม่สําคัญว่าพระนิพพานเป็นตัวไม่สําคัญว่าผู้รู้เป็นตัวตัวเป็นผู้รู้เมื่อไม่สําคัญว่าตัวแล้วก็ไม่สําคัญท่านผู้อื่นเหมือนกันถ้าไมปฏิบัติไปแบบนี้ก็อุปทานก็ไม่มีวันจะวางทีนี่ว่าพี่เจนาอย่างนี้อปาชาชุปทานก็นไปในตัว ถ้าใครคับเราลืมตาขึ้นมืดกว้างไปในตัวใครเป็นผู้แก่สังขารเป็นผู้แก่ไม่สำคัญตัวเป็นผู้แก่ไม่สำคัญตัวเป็นผู้เก็บไม่สำคัญตัวเป็นผู้ตายสังขารเท่านั้นแก่สังขารเท่านั้นเก็บสังขารเท่านัา้ น, น, น, นตาย ถ้าสำคัญว่าตัวแกเก็บตายตัวก็ต้องจะโศกเศร้าเสียใจเหมือนกันถ้าสำคัญว่าตัวแม่แกแม่เก็บแ ม, ม่ตายตัวก็จะลืมตัวทนงตัวอีกเหมือนกันนั่นใครเป็นผู้นั่งสังขารเป็นผู้นั่งพระนิพพานแมา่แมานั่งด้วยดอกใครเป็นผู้พูดวกีสังขารกัมมโนสังขารเป็นผู้พูด พระนิพพานมันจะมาพูดด้วยพระนิผ่านมันจะมาฟังด้วยไม่ได้มาพิจารณ า, าเหตุผลด้วยเพราะอยู่นึกเหตุเนึกผลไปแล้วเพราะทรงนงเหตุนึกผลไปแล้วทีนี้สมควรแล้วก็เอาละทีนี้ท่านผู้ใดจะปรึกษาอะไรต่างก็ปรึกษาไปนี่ นานๆทนนุกสบายพวกที่ลาสิกขาไปแล้วก็มีกันหมายหาบ้างอยู่สบายหรือไม่อยู่ที่ไหนไปที่ไหนนี่ข้อสาคัญเวลานี้อยู่ที่นั่นลกงปู่เวลานี้สะดวกอย่างนั้นคัดข้องอย่างนี้ก็ส่งขาวหากันบ้างเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียม เป็นธรรมเนียมเป็นเรื่องเคารพนับถือกันเป็นเรื่องไหว้อาลัยกันใครๆก็เหมือนกันพอจะไปในทิศทั้งสี่ก็เหมือนกันนั่นเป็นธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมดาของที่ไม่มีเวรไม่ีภัยเป็นธรรมดาของที่ไม่ขครื่งเคียดกัน เป็นธรรมดาของอัตตาอารมณ์ที่เคยอยู่ด้วยกันเพราะมันเป็นหน้าที่ของผู้ที่นี้ไปจะเขียนหา ใช่ผู้อยู่เขียนหาไม่รู้ว่จาจะเขียนหาที่ไหนเพราะก็อยู่ที่ไหนไม่ทราบเนี่ปีหนึ่งข้างหนึ่งก็ยังดีไม่ได้หาทุกเดือนดอกปีหนึ่งข้างหนึ่งก็ยังดี แต่เราจะอยู่ไปพอปีหรือไม่พอปีก็มองมาเห็นอีกเหมือนกันนันเป็นเรื่องคาดคะเนทั้งผู้เขียนและผู้คอยรับข่าวก็เหมือนกัน่ะ